เจ็ดสิบสี่ยืดบัตอกุขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างเคทโคลวัตุลคุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะนิ่งเกลย์เย็นทะเลมุดยัยเวิรวีรคลา อย่าให้สั้นเกินไปนะคะได้ยบเสิดมิขบุญกุฎะยอกระเสิดวิดอดีร์กัลสั้นอีกนิดนะคะได้ยบเสิดอินนุ่มสิริเด็กกุฎะยอกระเสิดวิดังกช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะองค์กรกุปุกย์ปะดังกัลอรุวาคตเตรียุมாรูปอยู่ในซีดีค่ะ พุ่งไปพัดดังกிกล็ดซีดีลีริกกินระนะัรูปอยู่ในกล้องค่ะพு க ை ப ปพัดดังเกล็ดแค ม, มิโรเวลีริกกินระนะัช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะมงกโลย์ก๊าดิกอ ร, รัตเตอีสัตย์เสียเยียลุมกระจกแตกค ண นนอ ட ดี ட ைด் த นเดริ ก, กิรัตแบตเตอรี่หมด แบตเตอรี่ก็ลืยากก็รุลุช่วยรียเซ้์ตัวนี้ให้ได้ไหมคะุงกตอลยนเมลสัตย์กยอิสตรีเซียเยลุมอช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะุงกลคอลสัตย์ยสุดดมเซียเยลุมอช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะ ค ங ் க ள อ ல ் காலணிகளை சரி ச ெ ய ்ร இயலுமா? ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมคะคุณก๊อตอล ค, คุณมีไม่ขียหรือไฟแช็กไหมคะคุณก๊อตอลคุณมีบัตรปิ๊ตตี้เขียนหรือไม่คะคุณมีที่เขียบุรี่ไหมคะ நீங்களிடம் சாம்பல் கிண்ணம் ิกு க ்ระ ற த ாคุณสูบซิ ก, ก้าไหมคะนิ่งกัลสุรุตปิดปีรขลาคุณสูบบุหรี่ไหมคะนิ่งกัลซิการต์ตปิดปีรขลาคุณสูบ ป, ปไหมคะนิ่งกัลคุ பிடிப்பீர்களா?